รับสั่งให้พเดียงสงหนึ่งเมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นตรัสเรียกท่านพระอ น, นุนมาตรัสถามว่าอา น, นุนทำไมภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลงท่านพระอา น, นุ์กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพันนาคุณอสุภกรรมฐาน ตรัสสันเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรนาคุณอสุภะสมาบัตเนืองเนืองแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆและภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสันเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรนาคุณอสุภะสมาบัตเนืองเนืองโดยประการต่างๆ จึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนเหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำสาด ก, กล้ามีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจ ภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างภิกษุบางกลุ่มพากันไปหาตาเถนมิฆัลนธิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอัตมาทีเถิดบาทและจีวร น, นี้จะเป็นของท่านตาเถนมิฆัลนธิกะรับจ้างเอาบาดและจีวรจึงฆ่าภิกษุวันละหนึ่งรูปบ้างวัน ล, ละ60รูปบ้างขอประธานพระวรโรกาส ขอพระองค์โปรดตัดบอกวิธีอื่นที่ภิกษุสงฆ์จะพึงดำรงอยู่ในอารหัตตผลเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนต์ถ้าเช่นนั้นเธอจงพเดียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมกันที่โรงอาหารท่านพระอา น, นุนทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพเดียงภิกษุสงฆ์ที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมด ให้ประชุมที่โรงอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังวิ น, นี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้